ต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งสติทำรวมใจให้แน่วแน่อย่าปล่อยใจไปทางอื่นเนื่องจากว่าแต่ใ น, นแะไรมาเราไม่ค่อยได้ควบคุมจิตใจนี้มล้วจะปล่อยให้มันไป ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแบบนี้เป็นวาระออกพรรษาปราณาไปแล้วเธอจะไปถือว่าออกพรรษาไปแล้วไม่ไม่ต้องเข้มงวดขวดขัน ในข้อวัดปฏิบัติอย่าไปถืออย่างนั้นเพื่อทำคำสอนของพระเจ้ทาที่แสดงไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจมรู้เองเห็นเองแลยก็ไมอ้างการอ้างเวลาด้วยเพราะพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อ เวลาไหนก็เวลาที่เราจะต้องอยู่กับพระธรรมจิตใจนั่นนะใจนี้ถ้ามันได้อยู่กับพระธรรมแล้วมันก็หวันไว้ไปทางอื่นมันหลงไหลไปตามอำนาจของกิเลสปัญหาถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ในใจ แล้วอย่างนี้จิตมันก็ไม่หลงไม่ไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเราเป็นทาสของกิเลสตัณหามานมนานแล้วควรพากันตื่นตัวเมื่อ น, นี้เมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราควรจะหาหนทางให้เป็นอิสระ จากกิเลสตัณหาเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่หนทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ลำพังสติปัญญาของเราแล้วไม่ไ ม, ไม่สามารถไม่มีความสามารถที่จะกำจัดกิเลสตัณหาออกจา ก, กจิตใจได้ ดังนั้นนับว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วไม่ควรที่จะไปอ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่ามีอุปสรรคความขัดข้องอย่างโน้นอย่างนี้ปฏิบัติทำไม่ได้ในอย่างนี้มันเป็นความหลงไม่ใช่เป็นความรู้ความฉลาด ถ้าเป็นความรู้ความฉลาดแล้วมันจะไม่อ้างเลยเพราะว่าพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อที่จะให้เราได้พิจารณาได้รู้เท่าสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยังยืนทั้งหลายกราพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อ ก็หมายเอารูปธรรมนามธรรมนี้เองพระศาสดาผู้ประเสริฐในโลกได้ทรงแสดงแนะนำให้พุทธกริษัททั้งหลายพิจารณานามรูปนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนอย่างที่ ในธรรมวัดเศร้านั่นธรรมวัดเศ้านั้นหมดหนึ่งธนว่าส่วนมากพระศาสดาทรงแสดงอย่างนี้โรปังอนิจจังเวทนาอนิจจา สัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนาัตตาวิญญาณอนัตตังอนัตตาเฮ้พระองค์ทรงแสดงสอน พุทธบริษัทสมัยนั้นทรงยกขันธ์หน้านี้ขึ้นบรรยายบ่อยๆเลยปะเดียวที่ทรงยกขันธ์หน้าขึ้นแสดงบ่อยๆเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจมันยึดมันถือมั่นอยู่ในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นเราเป็นเขา เป็นตัวเป็นตนเมื่อมันยึดถืออยู่อย่างนี้แล้วมันก็หวงเห็นก็ไปแสวงหาปัจจัยมารเลี้ยงมันแสวงหาโดยทางชอบโดยศิลนโดยธรรมไม่ได้แล้วก็ไปแสวงหาในทางที่ไม่ชอบ โดยชินโดยธรรมไม่ชอบโดยกฎหมายบ้านเมืองยอมรับบาปรับกรรมยอมรับโทษจะไปติดคุกติดตารางก็แล้วแต่อ้นี่นะบุคคลผู้ที่หวงเ ห, ห็นหันหน้าเกินขอบเขตแล้วย่อมได้ประสบความทุกข์ ในปัจจุบันนี้ก็ได้ประสบได้ไปติดคุกติดตารางทนทุกทรมานไม่มีอิสระเซรีอะไรเลยเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไปไม่อยู่ในนรกอบายภูมิไม่มีอิสระอะไรแก่ตัวเองเลย ในเมื่อบุคคลมายึดขันห้าีนว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วใช้ขันห้านี้ทำบาปนะมันเป็นยางน้นถ้าหากว่ายึดขันห้านี้ไว้แล้วยึดไว้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อฝึกตนฝึ ก, กจิตใจนี่ให้ถึงความสงบประงรับ ให้มีปัญญาความรู้ความฉลาดหากว่าได้ยึดขันหนานี่ไว้ปฏิบัติทรรมอย่างว่านี่นะมันก็นับว่าเป็นหนุนทางก้นทุกได้เหมือนกันือะคำ ว, ว่าถนุถนอมขันหนานี่ไว้รักษามันดูแลมัน ให้ผ้าหนุ่งผ้าโฮมให้อาหารการบริโภคให้มันถูกกับธาตุร่างกายอย่าไปบริโภคของที่มันแสลงต่อร่างกายเช่นสุราเมรยัยกัญชายาพินเฮโรอีนโมนี ล้วนแต่มันทำลายระบบประสาทของร่างกายให้เสื่อมไปไม่มีที่มันจะดีอยู่ได้ในเมื่อบุคคลส่องเสพของเสพติดเหล่านี้ให้มากมากเข้าไปแล้วมันไม่ไหวจริงๆเพราะนั้นอย่าไปสนใจมันเลยสิ่งใดมันให้โทษแล้วอย่าไปอยากมัน แม้แต่บุหรี่นี่ก็เป็นเครื่องทำลายสุขภาพอนามัยของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปก่อนไว้เวลายังหนุ่มแน่นนี่มันก็ไม่เป็นไรเท่าไรหรอกเพราะมันมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงขั้นต่อไปถึงวัยกลางคนหรือวัยแก่ เข้าไปแล้วภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอแล้วนั่นแหละมันถึงทำลายสุขภาพของร่างกายนี้ให้เสื่อมโทรมลงไปเห็นเป็นโรคตับโรคปอดเป็นตน้นมีอยู่มากมายคนเป็นโรคเพราะการสูบบุหรี่การดื่มสุรา การชายาผิ่นเฮโรเอเฮโรอีนโมนิมีเยอะแยะเลยเป็นแล้วก็มักจะไม่มียารักษาะนะนั้นอย่าพากันประมาทเพราะการที่จะได้อัตภาพร่างกายนี้มาไม่ใช่ของง่ายนะคิดดูให้ดีก็มานอนอยู่ในท้องแม่ถึงแปดเดือนเก้าเดือน แม่ก็เป็นทุกข์ด้วยคลอดออกมาแล้วตนเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้มารดาแลละใกล้ชิดกระบุตรต้องเอาใจสายอยู่นั่นถ้าความรักไม่หนักแน่นเพียงพอบางคนก็เลยเลี้ยงลกูกคนหนึ่งไม่โตเอาไปทิ้งไว้ตามกองขยะมนันนก็มี เขาไม่มีปัญญาจะหาเงินมาเลี้ยงหาอาหารมาเลี้ยงมันอย่างนี้นะจะชื่อว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรของเด็กนั้นมาแต่ชาติก่อนห้นหลังนู่นนะแต่ชาติก่อนก็เป็นผู้ดื้อด้านทุกขนไม่ทำความดี ไม่ฟังถ้อยฟังความมารดาบิดาลุงป้านาอาครูผู้สอนวิชาความรู้ทางโลกให้หมูอนีอ้ส่วนมากมันไม่เชื่อฟังคนนิสัยไม่ดีตลอดบางคนมาบวชแล้ว เป็นพระภิกษุสามเณรก็ดื้อรั้นมีทิฏฐิความเห็นจัดถือมั่นในความเห็นจัดเอาความเห็นของตัวเป็นประมาณผู้อื่นจะทักท้วงว่ามันผิดก็ไม่ยอมละถือขังอยู่อย่างนั้นแหละ พราช่นนั้นมักจะทําไปตามความคิดเห็นของตนไอความคิดเห็นนั้นน่ะบางทีมันก็แทรกอยู่ด้วยกิเลสพอเหตุว่ายัางละ ก, กิเลสไม่หมดถ้าหากว่าประพฤติไปตามความเห็นอันแทรกอยู่ด้วยกิเลสนั้นส่วนมากมันก็เป็นทางผิดแหละเป็นเรื่องก่อกรรมทําเข้นในเกิดมี เอกตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม่ควรผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสานานี่นะไม่ควรจะไปถือมั่นในความคิดเห็นของตนเองเอเตือนตนเสมอว่าให้ความคิดเห็นของตนเองนี่ไม่แน่นอนหรอกบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดเพราะมันมีกิเลส โมหะอาวิชชาครอบงำโยหรือมันมีตัณหาแทกแท้งโยเหตุนั้นมันจึงให้เกิดความอยากไปในทางที่ผิดทำผิดวินยัยแม้เป็นเครืหัดก็เหมือนกันนะผู้ที่ถือมั่นในความเห็นอันผิดๆการทำการพูดอะไรมันก็ย่อมผิดไปอเป็นอย่างนั้น ดังนั้นต้องใครครวนให้ดีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ถือไว้มันก็ไม่ยั่งยืนดอกร่างกายอันนี้จะถือไว้ยังไงมันก็แปรผันอยู่อย่างนั้นแหละในสุตมันก็แตกดับเท่านั้นแล้วจะไปถือมันไว้ทำไมอะ่ะ ก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละผู้เตือนตนนะถึงจะไหวผู้ใดไม่เตือนตนไม่ได้จะคอยให้แต่ผู้อื่นมาเตือนมาสอนถ้าตนไม่ยอมแล้วเพื่อนก็ไม่สอนผู้อื่นนั้นนะหาตนยอมนอบน้อมต่อเพื่อนจริงๆ ขอให้แนะนำสั่งสอนเพื่อจะได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเวลานี้มันยั ง, งโง่โย่ช่วยตัวเองยังไม่ได้หากว่าไปสารภาพความบกพร่องของตนให้เพื่อนฟังอย่างนั้นน่ะเพื่อนก็มีแก่ใจที่จะแนะนำสั่งสอน ทำไมเช่นนั้นแล้วไม่มีใครสอนนะขอให้เข้าใจตนเห็นผิดก็เห็นผิดไปอยู่นั่นแหละเห็นถูกก็เห็นถูกไปความเห็นผิดมันเป็นพิษต่อร่างกายจิตใจความเห็นถูกมันเป็นคุณต่อร่างกายจิตใจแต่รนี้ผิดถูก มันเป็นคู่กันมันอยู่กับจิตใจนี้เองบางคราวจิตใจมันก็เห็นผิดไปจากครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคราวมันก็เห็นถูกเห็นชอบตามคำสอนดังนั้นนะ่ะ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เจริญสมาธิภาวนาอย่าเพิ่งไปเชื่อความคิดเห็นอันเกิดจากกิเลแสแทรกแซงให้เกิดความคิดวิตกวิจาร์อะไรต่ออะไรไปไม่มีสิ้นสุดนั้นพระองค์เจ้าทรงสอนให้ พยายามทำใจให้สงบจิตใจมันยึดถือเรื่องใดอยู่แล้วก่อนภาวนานะกำหนดละอารมณ์นั่นเสียเอายกไปซะก่อนเรื่องใดไรก็ตามเมื่อจิตยังไม่สงบแล้วเราจะไม่พิจารณาอะไรก่อน ต่ต้องเตือนตนอย่างนี้เมื่อเตือนตนแล้วก็ลงมือแล้ลงมือท้องสติเข้าไปควบคุมจิตอยู่ภายในเพ่งลมหายใจเข้าออกคอยระมัดระวังอย่าให้จิตมันหลงไหลคิดตึกไปตามอารมณ์ที่มันเคยยึดเคยถือมาแต่ก่อน แม้มันจะเป็นเรื่องดีเรื่องถูกกองกระชั่งก็ต้องยกไปก่อนเวลาได้จิตใจยังไม่สงบยังไม่ตั้งมั่นพอพิจารณาอะไรมันก็มากะไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นักเมื่อจิตไม่สงบแล้วดังนั้นน่ะ คอยพากันพิจารณาดูจิตใจของตนว่าเวลานี้มันมีความรู้มันสงบอยู่หรือไม่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาให้รู้ตัวเองขึ้นมาเมื่อรู้ว่าตน จิตใจตรงนี้ยังไม่ส ง, งบเอาก็พยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกพยายามกำหนดละอารมณ์ต่างๆ ท, ที่จิตมันยึดถือเอาไว้นั่นแนะหละหายใจเข้าก็กำหนดละอารมณ์นั้นนั้นหายใจออกก็กาหนดละอารมณ์นั่นนั้น เลื่อยไปไม่ส่งเสริมมันเมื่อไม่ส่งเสริมในให้จิตมันคิดพรุงแต่งไปในขณะนั้นจิตมันก็ค่อยสงบลงอันนี้เนี่ยหมายความว่าตัวเองนั่นแหละห้ามตนเองไม่คิดไม่ปรุงแต่ง มันไม่มีสองหรอกมีจิตดวงเดียวเท่านั้นแต่ตนเองห้ามตนเองให้ได้ไม่มีใครที่จะมาห้ามมาสอนได้ในขณะนั้นน่ะเรานั่งอยู่ผู้เดียวขัดสอนตนเข้าไปการปล่อยจิตให้พุ่งส่้นเลื่อนลอย ไปตามอารมณ์ต่างๆนั่นเป็นทางไปสู่ทุกข์ไม่ใช่เป็นหนทางไปสู่ความสุขการทำใจให้สงบระ ง, งับปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้นั่นเป็นหนทางความสุขอันยอดเยี่ยมฉะนั้นเมื่อตนต้องการความสุขแล้ว เพอย่าปล่อยจิตให้คิดให้พุ่งไปในที่ต่างๆความจริงทุกคนนะ่ะต้องการความสุขนั่นแหละแต่ว่ามันไปต้องการไปนคนและอย่างกันเพราะความเห็นมันแตกต่างกันแต่สรุปแล้วการที่ บุคคลมาลงความเห็นเราว่าความสุขที่แท้จริงได้แก่การนำใจให้ส ง, งบละอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆ ท, ที่จิตใจมันสั่งสมไว้ให้หมดไปอย่าให้อารมณ์นั้นมันห ม, มักหม ม, มอยู่ในจิตใจ ก็ต้องสอนตนอย่างนี้นะเตือนตนให้รู้ว่าการยึดถือความคิดความนึกความจำความหมาย ต, ต่างๆหมดนั้นนะ่ะไม่ใช่หนทางพ้นทุกเป็นหนทางไปสู่ทุกบางทีก็ให้เกิดเป็นเปรต บางทีก็เกิดเป็นสัติไร้ชานมันเกิดไปตามกระแสจิตที่มันตกต่ำนั่นเองนะใจที่คิดฟุ่งซ่านไปในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นสาระแก่นสารต่อชีวิตอย่างนี้เนะี่ยมันนำพาให้ไปเกิด ในที่ต่ำๆอย่างนั้นพอ เ, เมื่อมันคิดไปแล้วมันไม่มันไม่ใช่ละได้เมื่อคิดไปมากๆเขามันก็ไม่ยึดถือเอาไว้เท่านั้นเองนะาพาผู้ใดปล่อยจิตของตนให้ยึดไหถืออารมณ์มันไม่เป็นสาระแก่นสารอย่างนั้น มันก็เคยชินสิคิดไปนานๆมันก็เคยชินแล้วถือว่ามีความสุขถ้าได้คิดอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่ยอมละอารมณ์เหล่านั้นออกจากจิตใจอันนี้เป็นอันตรายมากให้พากันพิจารณาให้ดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพของจิตพราคนเราคิดมากมากแล้วหามีความสุขไม่คิดไปมากแล้วจิตใจก็อ่อนเพลียลงเหมือนร่งร่างกายนี่แหละเมื่อใช้มั็นทำงานมากๆเข้าไปแล้วร่างกายนี้ก็อ่อนเปรียเพรียแรงลงไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยจิตใจก็เหมือนกันนะ แตาใช่มันคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆไปนมนานเข้าไปจิตใจก็ล้าเลยอ่อนเพลียไะะเหี่ยใจคนที่เกิดเป็นโรคหัวใจนั่นก็พอเหตุนี้เองเพราะว่าคิดบ้างว่าเข้าไปแล้วระบบประสาทของจิตใจก็อ่อนแอลงไป บางทีก็เลยเสื่อมสมรรถภาพไปเลยเมื่อระบบประจักมันอ่อนแอลงไปแล้วมีเรื่องอะไรมากระทบมันก็ยับยั้งไม่ได้เลยก็มีแต่วันไว้มีแต่ฟุ้งไปตามเรื่องต่างๆที่กระทบมานั่นเองห้ามจิตไม่ได้เลยนั่นอะ แสดงว่าประสาทหัวใจเนี่ยมันอ่อนแอมันต้านทานต่ออารมณ์ต่าง ๆ, ๆเหล่านั้นไม่ได้เลยทุกคนเมื่อรักตัวเองแล้วก็อย่าไปปล่อยจิตใจนี่ให้มันเลื่อนลอยไปปล่อยให้มันคิดมันปรุงแต่งจนหัวใจล้าเช่นนั้นอ่ะ ผูนั้นถ้าปล่อยตนไปอย่างว่านั้นก็หมดแล้วหมดโอกาสที่จะแสวงหาความสุขใส่ตัวเองได้เพราะว่าระบบประสาทหัวใจอย่างนี้มันละเอียดมากดังนั้นถ้าหากว่ามันได้เสื่อมโทรมลงไปแล้วยากที่จะเยียวยาให้ดีขึ้นได้เหตุดังนั้นให้เตือนตนอย่างนี้ หากว่าบางคราวจิตมันวุ่นวายฟุ้งซ่านหาทางสงบไม่ได้อย่างนี้นะก็รีบทำความเพียรเตือนตอนเข้าไปให้สำนึกรู้สึกตัวว่าการคิดมากๆเช่นนี้มันเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษเท่านั้นไม่ใช่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรไม่ใช่เป็นหนทางความสุข เป็นหนนทางไปสู่ทุกข์เมื่อมีสติสัมปชัญญะเตืนตอนตนเข้าไปอย่างนี้จิตมันรู้ตามเห็นตามสติที่ตักเตือนนั้นมันก็ยอมลงมันก็ยอมปล่อยยอมวางไม่ถือมั่นไว้ในใจ ในการที่จิตมันจะระจะวางความยึดความถือในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ได้นี่ก็เพราะมีอุบายสอนใจดังกล่าวมาแล้วใครไม่มีอุบายสอนใจใจนี่มันจะลากกิเลสอันนั้นไม่ได้เลยมันจะยึดถืออยู่นั่นแหละดังนั้นในพึ่งพากันพิจารณาจิตใจตัวเองให้ดี ก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วความสุขมันก็มีอยู่ที่จิตตรงนี้เท่านั้นความทุกข์ก็มีอยู่เท่านี้แหละอยู่ที่จิตนี่แหละอันอื่นมันไม่เป็นทุกข์เป็นสุขด้วยเพราะไม่มีความรู้สึกเหมือนอย่างดวงจิตนี้ดวงจิตนี้มันมีความรู้สึกไปได้หลายอย่าง ดีมามันก็รู้สึกความดีอา้าวชั่วมาถึงมันก็รู้สึกความชั่วนั่นเมื่อไม่ดีไม่ชั่วก็เท่าก็มามันก็รู้สึกเฉยๆแต่มันไม่มีปัญญาที่จะมาสอนตนให้ละอารมณ์อันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษต่างๆนะ น, นะ มันมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบเข้ามาแล้วก็มักจะไหลไปตามมันเลยอย่างนี้นะนั่นเดียวว่าเป็นความรู้สึกที่ปัศจากปัญญาสมาธิดังนั้นให้พึ่งพากันทําใจให้สงบให้ได้อย่าเพิ่งพิจารณาไปก่อนเมื่อจิตใจยังไม่สงบระงรับลงไปเมื่อเมื่อทําใจสงบระงรับ ลงไปชำนิชำนานรักษาความสงบของจิตใจนั้นไว้ได้แล้วเจนีจึงค่อยพิจารณาในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งใดมันลินเล็ดรับอยู่แล้วก็มันจะรู้ขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาด้วยอำนาจแห่งสมาธินั้นแหละ เรื่องความรู้พิเศษต่างๆโมนี่นะ่ะใครจะบอกใครไม่ได้เลยมีแต่ตัวเองเท่านั้นเนี่ยฝึกใจให้สงบแล้วเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นมันก็รู้ในสิ่งที่ตนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนอย่างนี้นะมันก็รู้ก็เห็นชัดเจนขึ้นมาเช่นรู้ว่านี้คือทุก ทุกนี่มีลักษณะอาการอย่างนี้อย่างนี้ได้แก่ตัณหาความทะยานความทยานอยากของ จ, จิตใจนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใหญ่โตทีเดียวก็รู้ก็เห็นชัดนะนี่คือความดับทุกข์ได้แก่ตัณหามันระ ง, งับกับไปจา ก, กจิต คิดไปส่งเสริมตัณหาเมื่อตัณหาดับไปจากกิจใจคิดก็เป็นอิสระมีความสุขความสบายไม่ถูกกิเลสมาลังควานอเป็นอย่างนั้นจึงได้รู้ชัดว่าอ๋อการที่ตัณหาดับไปนี่หนอทุกจึงค่อยดบับ ทุกทางจิตใจดับเพราะตัณหาความอยากของจิตใจดับลงก็รู้ชัดอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าการปฏิบัติตามทานสินภาวนาหรือว่าสินสมาธิปัญญาอันนี้นะ่ะได้ชื่อว่าเป็นหนทางให้สามารถ ระงับดับตัณหาในจิตใจได้จริงศินเป็นเครื่อ ง, งระงับความโลภโกรธหลงอย่างยาบให้เบาบางไปสมาธิเป็นเครื่อ ง, งระงับกิเลสอย่างกลางนิวรธาคือความรักความชังความหดหู่ง่วงเหงาห้านอน ความพุ่งสั้นลำคาญใจความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณทอดประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์นี่แมันสงสัยไม่เห็นแจ้งโดยใจเดี๋ยวนี้นะเป็นหนาที่ของเราจะต้องระ ง, งับกิเลเต่านี้ให้ดับไปจากกิจใจแล้วเมื่อนั้นน่ะกิจใจจะได้เบิกบานผ่องใส เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วจะพิจารณาอะไรก็รู้ก็เห็นชัดตามเป็นจริงเลยเป็นปยังไงในพากันเข้าใจทุกขอทุกสิ่งทุกอย่างก็ออยังว่าที่เคยว่าอยู่บ่อยๆอยู่มันก็ไหลเข้ามารวมอยู่ในจิตตรงนี้เองนะ มันไม่ไปที่อื่นเพราะที่อื่นมันไม่มีสภาวะรู้มีแต่ดวงจิตที่อาศัยอยู่ในท่ามกลางอกอยู่ในหาไทยวัตถุนี่เท่านี้แล้วจะเป็นผู้รับรู้เรื่องดีเรื่องชั่วในโลกนี้แล้วจะเป็นผู้ ละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอาวิชชาดังกล่าวมานั้นก็จิตดวงเดียวนี้ภาคเพื่อไม่ยามละมันจึงไม่ได้ไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาละกิเลสอวิชชาตัณหาได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็จิตดวงเดียวนี้แหละ เป็นผู้ฉลาดในการกระทำคุณงามความดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจา ก, ก็ดีฉลาดเว้นจากกรรมันชั่วถ้าฝึกฝนอบรมให้เกิดปัญญาขึ้นแล้วนะมันก็ยอมละความชั่วได้แต่เมื่อปัญญายังไม่เกิดนั้นมันละไม่ได้เลยเช่นการดื่มเหล้าเมาสุรา ถูกกัญชายาพิษนีโรยินบุหรี่วนนี้จนติดงอมแงมชาปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองเห็นว่ามันมีแต่โทษคุณน้อยหนึ่งก็ไม่มีของเสพติดในโทษเหล่านี้นะมันเห็นด้วยปัญญาแล้วมันกละได้เท่านั้นเองมันไม่ยากอะไรนะถ้าจิตนี่ลงความเห็นว่าควรละแล้วอย่างนี้ มันก็ละได้ทุกสิ่งทุกอย่างน ะ, ะมันไม่เหลือวิสัยอ่ะมันสำคัญี่จิตในสีมันไม่ยอมละเรื่องมันอ่ะมันหวงเห็นกลิ่นรสของเสพติดในโทษเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลมารู้ตัวภายหลังแล้วมาพิจารณาดูแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรละจริงๆเมื่อมันเห็นโดยปัญญาอย่างนี้นมันก็ละได้นะเมื่อมันละได้แล้วมันจึงมองเห็นคืนหลังดูละโถมันให้ทุกข์ให้โทษามากมายกายคลองจริงของเสพติดให้โทษต่างๆหมดเนี่ยบางทีเกิดโรคกับโรค ก, กอดตายก่อนอายุไข มันรู้ตัวได้เลยอย่างผู้ที่พูดอยู่นี่ก็เหมือนกันนะเมื่อได้ทบทวนดูเบื้องหลังติดปุรีเอาสะจนงอมแงมเอาไปเอามามนทาท่าจะเกิดโรคปอดขึ้นมันรู้ตัวนั่งภาวนาไปเห็นแจ้งชัดเลยว่าถ้าเขินถูบุรีนี้ไปจะต้องเกิดโรคปอดโรคตับ ตายไปไปแหละไม่ไม่ไมยังยืนอยู่ได้หรอกชีวิตเนี่ยมันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเย่างนี้มันจึงสละในใจเมื่อใจสละอารมณ์เหล่านั้นได้แล้วนี้างน้เรื่องภายนอกไม่มีปัญหาอะไรอ่ะไม่ไม่หิวไม่หอยพอใจออกซะอย่างเดียวใจคลายความอยากเสียอย่างเดียวแล้ว มันหมดเรื่องมันไม่อยากร่างกายมันไม่ว่าอะไรเลยมีแต่จิตเท่านี้แหละมันสำคัญนะจิตหลงเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันไม่ยอมคลายหนละเรื่องใดๆก็ดี mm hmm. ดังนั้นทุกคนขออย่าไปลืมจิตใจตัวเองตามรักษาจิตอยู่ตลอดเวลา เนี่ยที่ว่าพระธรรมคาสองพุทธเจ้าเป็นอาการิ โ, โกไม่อ้างการอ้างเวลาไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มี ส, สมติสัมปสัญญะสมรวมจิตอยู่ในที่นั้ น, น, นเพ่งพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกครั้งอนัตตาปรากฏอยู่ในใจเสมอเสมอ นี่เรียกว่าขบถทีเจ้าท่าไม่อ้างไม่ให้อ้างการอ้างเวลาเพราะพธามนั้นมีอยู่ทุกเมื่อเพราะ อ, อันิจจังความไม่เที่ยงของนามของรูปอันนี้นะมันมีอยู่ทุกเมื่อเลยเราจะหายากอะไรนักหนาทุกขังทนได้ยาก มันทนลำบากก็เพราะความไม่เที่ยงนั่นเองแหละมันก็มีอยู่ทุกเมื่อเลทุกลมหายใจเขาออกทาเป็นไรความเป็นอนัตตารูปธรรมนามธรรมอันนี้มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอันนี้มันก็ปรากฏอยู่ทุกเมื่อเลยทุกเวลานาที ถ้ารูปนามอันนี้บังคับได้ใครจะปล่อยให้มันวิบัติแปรปวนไปล่ะใครจะปล่อยให้มันโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนน่ะมันก็ต้องขจัดสิ่งที่เป็นเสนียดจนดันไดต่อร่างกายนี้ให้หมดไปสิ้นไปสิถ้ามันบอกได้นะใครจิตไปเลี้ยงมันไว้โรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆเนี่ยเลี้ยงไว้ไม่ได้หรอกอืมแต่นี้มันเหลือวิสัยอ่ะเมื่อตนได้มาใส่รูปทำนามธรรมอนี้อยู่แล้วอย่างนี่นะมันก็จําเป็นต้องได้สู้ทุกสู้ยากเมื่อเวลาเหตุปัจจัยของนามรูปอันนี้ยังไม่ดับนามรูปอันนี้มันก็ยังอยู่ จิตผู้อาศัยอยู่นี่เมื่อหากว่ามีปัญญาเฉลียวฉลาดก็ถือเอาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของนามรูปนี่นะเป็นอารมณ์เตือนใจสอนใจนี่เสมอว่าหืนยึดถือไว้มันก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวไปนามรูปนี่นะ มีแต่ทุกข์ติดตัวไปถ้าปล่อยวางเสียแล้วไม่ถือมั่นหัดปล่อยหัดวางไม่หวงเห็นใครจะด่าก็ยอมให้ด่าใครจะว่าก็ยอมให้ว่าแม้ไปรประสบความทุกข์ความมิบัติของร่างกายก็อดทนได้ไม่แสดงความเศร้าโศกเสียใจ อ่าอย่างนี้แหละผู้สอนตนเตือนตนนะผู้เห็นว่านามรูปนี่เป็นอนัตตาบาังคับไม่ได้แล้วก็บังคับใจของตนสิวันี่นะสอนใจไม่ให้หลงไหลวันไว้ไปตามนามรูปนี่เพราะนามรูปมันบอกไม่ได้แล้วนี้อ่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอะไรไปแปรปวนยังไงก็ จิตก็มีหน้าที่รู้ตามเห็นตามไปอยู่เสมออย่างนั้นแหละพอเราวังคับมันไม่ได้นี่ก็กําหนดรู้เท่าตามเป็นจริงไปเอความจริงของโลกของนามมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้ให้รู้ให้เข้าใจไว้อย่าไปถือว่าเป็นของเราของเขา ไอ้ปัญญานะ่มันสอนจิตเข้าไปเสมอๆ อ, อย่างนี้นะมันจึงได้คนเรานะ่ะสอนตัวเองจึงค่อยได้ผู้อื่นสอนไม่ได้หรอกถ้าตนไม่ละแล้วใครจะมาละให้อยู่นั่นนะ่ะความยึดความถือทั้งๆหมดเนี่ยความทุกข์ทางจิตใจเมื่อตนไม่ละเหตุ คืออวิชาตัญหาดังกล่าวมานั่นแล้วใครจะมาละให้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ละกิเลสตนนัวนี้ออกจากจิตใจของทนไม่ได้เลยออกจากจิตใจของผู้อื่นไม่ได้ดังนั้น้ให้พากันสอนใจตัวเองเข้าไปนั่งสอนใจตัวเองอย่างนี้เนี่ยอเมื่อจิตมันเห็นชอบตาม ปัญญาแล้วมันก็ปรงก็วางลงเท่นนาน้มรูปนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นของสวยของงามของเราของเขาอะไรเลยเมื่อไม่ถือมันโดยความยินดียินร้ายความเสียใจเศร้าโศกต่งางๆงี้นะไม่ถือมันเลยทษกทางใจมันก็ดับไป ใจก็เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยปัญญายาัญตามรู้ตามเห็นนามรูปอันนี้อยู่เสมอไปไม่อ้างการอ้างเวลามันจะอยู่ในป่าอยู่ในบ้านอยู่ในน้ำอยู่บนดินอยู่ที่ไหนก็ตามผู้มีปัญญาแล้วมันย่อมตามรู้ตามเห็น นามรูปอันนี้ตามเป็นจริงอยู่นั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตนี่มันถูกปัญญาสอนเข้าไปอย่างนี้มันก็ค่อยละค่อยคลายนามทำรูปทำอมนนี้ไปเรื่อยๆละความยึดความถือนะนั่นแหละสังเกตได้ยังไงอะ่ะก็สังเกตได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมา มันก็ไม่แสดงอาการทุรนทุรายเกินไปมันอดบันทนได้อดทนสิก็ น, นามรูปนี่มันบังคับไม่ได้แล้วแล้วจะไปเดือดร้อนกับมันทําไมมันแปรปวนไปกับเรื่องของมันดวงกิตนี่ก็มีหน้าที่อดทนอดกัน้นใม่วันไหวไปตามความวิบัติแปรปวนของร่างกายนั้นอีกอย่างหนึ่ง รู้ได้ว่าเมื่อตอนรู้ตนโรง่งตนวางนามรูปจริงอา้าวใครด่าว่าเสียสีตำหนิทีเทียนก็ไม่งูนหงิดในใจเลยอยอมสละให้คนสนเสริญนินทาไปตามแต่ใครชอบใจอยากจะสนเสริญก็สนเสริญไปให้จะนินทาก็นินทาว่าร้ายไป เมื่อตนเห็นตัวเขาตัวว่าบริสุทธิ์จากบากจากโทษโยตนบรรเทากิเลสตัณหาได้โยเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องหูทรนร้อนใจอะไรแล้วกับคำด่าว่าตีเตียนของผู้อื่นบางทีผู้อื่นอาจจะเห็นผิดในเราก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องให้อภัยเขาไป ถ้าเขาแกล้งเราจริงๆเช่นนี้เมื่อเราไม่วันไหวแล้วไอ้ความชั่วนั้นก็เป็นของเขาการทำชั่วพูดชั่วต่อเรานะเราไม่ได้หรอกเราไม่ได้อะไรกับเขาเพราะจิตใจเราไม่รับแล้วไม่ยึดถือเอานามเอารูปอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็ไม่ยึดถืออารมณ์ภายนอก เสียงสรรเสริญเยินยอเสียงด่าว่าตีเตียนมันก็ไม่เอาแล้วมันก็ปลงก็วางลงได้นี่แหละเราจะสนิทฐานได้ว่าจิตใจปล่อยวางนามรูปนี่ได้มากน้อยเพียงใดก็รู้ได้ตามที่เราตามสังเกตจริตนิสัยของตนไปเรื่อยๆดังกล่าวมานี่แหละ ถ้าหากว่าใจนี้มันยึดนามยึดรูปอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็เป็นทุกข์หลายดิ้นลนกวนกรายมากไม่มีสติซ้ำไปเลยบางคนน่ะมันเจ็บ ม, มากเข้ามาอย่างนั้นและอีกหนึ่งใครตำหนิตีเตียนด่าว่าเสียสีดังกล่าวมาแล้วนั้น มันก็อดไม่ได้ทนไม่ได้งุดงิตในใจบางทีก็เลยตอบโต้คนอื่นไปก็เรื่องทะเลวิวาทกันไปมองหน้ากันก็ไม่ได้มเมื่อเป็นเช่นนี้ก็รู้ได้เลยแล้วว่าจิตใจมันยึดถือนามรูปนี่ไวาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้ได้อย่างนี้แหละ ให้สังเกตดูอะถ้ามันละได้มันก็เชื่อว่านั้นเนยใครสนเสริญดินทาอะไรมามันก็ไม่ยินดีนร้ายโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนมามันก็ไม่โศกเศร้าเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่าไม่ใช่เราตายไม่ใช่คนตายนามรูปอันนี้มันวิบัติแปรปรวนต่างหาก นามรูปนี่ทางหากมันกำลังจะแตกกระดับอยู่ไอ้อุบายนี่ต้องสอนใจเสมอเสมอแหละถึงเวลาเจ็บหนักมาหรือยังไม่เจ็บหนักก็ตามสอนตนไว้แต่นนเนิ่นเนินเลยฮะ <c oughs> เช่นนั้นนหะมันจึงบัรเทาทุกทางจิตใจได้บางทีทุกข์นั่นก็ดับลงไปจากจิตใจยังิงก็ได้ ดังสแสดงมา